เป็นวันพิเศษหน่อยที่ผมนัดผมเป็นโปรโมเตอร์นัดจัดให้มีการเจอกันของคู่มวยทั้งหลายโปรโมเตอร์บังเอิญมันติดนั่นนะไม่งั้นก็จะไปอยากบายจังเลยก็เจอมีอาจารย์สันตินะแล้วก็อาจารย์ประณีนะแล้วก็ ม, มีนอกนั้นก็ก็ของเชียนะไป อาจารย์ทุ่มมนอีกนะนะก็ไปสนทนาธรรมกันตอนนี้ก็เลยอยากให้พระอาจารย์ลองได้เล่าสิว่าเนื้อหาในการสนทนาธรรมนะ่ะยังไงบ้างครับท่านออกความเห็นยังไงบ้างนะแล้วก็ผมก็เจออาจารย์สันติแล้วคุยกันนานทีเดียวคุยกันวันนั้นเพราะว่าตอนเย็นที่ไปส่งอาจารย์ที่วาจากแดงก็เจออาจารย์สันติแล้วบังเอิญเจอคุณอ้วนด้วยคุณอ้วนแล้วก็คุณฮนะแล้วก็คุณวรา คุณวราพรหรือคุณอะไรเนะี่ยคุณชุภาพอรอ่าภรรยาคุณทศพรนั่นนะฮะอ่าไปไปก็ไปฟังด้วยก็คุยกันสักพักหนึ่งกันนะ่ะแต่ว่ามังเอิญไม่ได้อัดเทปไว้คุณอ้วนที่ขาเสียนะก็อยากอัดเทปไว้แต่ก็ไม่ทราบว่าอัดหรือเปล่าไม่ทราบเสียดายนะไม่แ น, น่ น, า น, า น, านก็พูดกันตรงไปตรงมาดีเดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจารย์ลองเล่าดูที่ว่าท่านคุยกันผมไม่ได้ไปนะ รุ่งขึ้นุงขึ้นพระอาจารย์ก็เจอกับอาจารย์สันตินะผมเป็นคนนัดให้อาจารย์ประนีตแล้วก็อาจารย์พระพระอาจารย์สุมนะแล้วอ่า ปรากฏว่าท่านคุยกันอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าใช่มสามโมงใช่สามโมงถึงถึงถึงสิบเอดแล้วก็ต่ออีกใช่ไหมต่อถึงบ่ายสองคงจะมีเรื่องเยอะครับงั้นท่านจะลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับ คือตอนวันวันอาทิตย์น่นนะพวกสมาชิกที่เขาฟังที่วัดใหม่พิเลนนะเขาก็ไปบนกันว่าอยากอาจารย์บอกเพิ่งขึ้นเริ่มสารบันนะั่นนะว่าถึงโครงสร้างนะที่เราเรียนกันอยู่นี่นะที่นุ่นบอก อ, อยากมากผมต้องคอยปลอบใจนะไม่อยากเคลนไฟ คืออันนี้นี่พูดยาวทั่วๆไปหนึ่งไม่บันทึกก็ไม่เป็นไร <laughs> ก็บอกว่าพูดจะให้ความรู้กับพูดจะเลี่ยไรเนี่ยนะวิธีพูดมันต่างกัน <laughs> ถ้าพูดจะเลี่ยไรนะั้นยังไงพูดให้คุณสบายใจคุณจะได้ควัก ง, ง่ายๆหน่อย <laughs> แต่พูดจะให้ความรู้จริงๆอะนะเนื้อหามันเป็นยังไงก็ต้องให้เนื้อหาไปทีนี้เ น, นื้อหาบางอย่างเขายังไม่ต้องการอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาก็จะหนักใจบ้าง <laughs> มันก็นนกยังว่าเราก็ได้บุญแล้วเราให้ไปแล้วเมื่อวานก็มีผู้ถามถึงถ้าเราจะปฏิบัติหรือที่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถ้าตั้งการเริ่มต้นเลยเนี่ยเราควรควรเจริญยังไงบ้า ง, งก็ตอบไปว่าการการเจริญสติปัฏฐาน ซึ่งในพระไตรปิฎกที่แสดงไว้ก็มีหลายสูตรเนี่ยนะคำวมสติปัฏฐานเฉยๆนะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเยอะเนี่ยนะสติปัฏฐานสังยุตเนี่ยก็ในส่วนของสติปัฏฐานก็ไม่ต่ำกว่าสี่สิบสูตรอยู่แล้วและก็คำวมสติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่เกือบทุกคัมภนะีรในในพระไตรปิฎ ก, กซึ่งวิธีการแสดงก็แตกต่างกันไปนะ นี่ก็กล่าวถึงว่าสติปฐานหรือหรือถ้าพูดถึงการปฏิบัตินี่ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างที่ว่าส่วนหนึ่งเรียกว่ากล่าวตามอัธยาศัยของผู้ของของของธรรมาเองเหมอนะอย่างหนึ่งกับตามสติปฐานสูตรนั่นนะเขบอกว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบตามอัธยาศัยหรือเอาตามสติปทานเหมือนกนก็ก็บอกว่าเอาทั้งสองเลย ท่าทั้งสองก็ขึ้นด้วยอัธยาศัยก่อนแล้วค่อยว่าด้วยสติปัฏฐานถ้าว่าตามอัธยาศัยก็ต้องขึ้นธรรมะส0น่นะที่เป็นกลุ่มปีรูปสาธ ร, รูปเพราะว่าธรรมะกลุ่มนี้มีมีมากในพระไตรปิฎกเอาเอาแค่30สไม่เอาถึง60สิบสมันชุดใหญ่เอาชุดครึ่งหนึ่ง เขอเรียกว่าธรรมะ30หมายถึงว่าแต่ละทาวารมีห้นี่นะหคูณ6กเท่ากับ30ก็คืออย่างเช่นทาวารตาก็อาศัยจากสู่กับรูปเกิดจากคูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็น菩萨菩ะเป็นปัจจัยจึงมีสุขเวทนาทุกเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาเนี่ยนะก็เวทนาสภาวะมีสมก็จริงแต่นับหนึ่งนี่นะ ก็คือจักสุรูปจักูวิญญาณภาษาเวทนาก็หทวารหูก็โสตคือหูเนี่ยนะกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะ ก็บอกว่าถ้าธรรมะเหล่านี้ซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็ชั้นแรกก็ฟังอย่างนี้ก็ให้จำให้ได้ก่อนทั้งทั้งหมดเนี่ยนะจำให้ได้ทั้งสามสิบข้ออย่างนี้มันก็จำไม่ยากอะไรน่นะถ้าถ้าศึกษาธรรมะพอคุ้นเคยอยู่แล้วก็จำไม่ยากเมื่อจำไม่ยากที่เหลือก็เอามาสาธยายน่นะมันมาสาธยายแต่ทีนี้การสาธยายก็ไม่ใช่ว่า สาธยายโดยการคิดเวลาจักสุกก็คิดถึงจอจานไม่ใช่นะนะรูปก็คิดถึงรอเรือสะอูปปลานี่ยก็ไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามาสาธยายว่านี่นะจักสุกของเราที่ลืมตาเนี่ยอาศัยจักสุกกับรูปเกิดจกักขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนะี่ยทีนี้ก็ดูแล้วแต่อารมณ์ถ้ารูปารมณ์ที่ดีก็เป็นที่ตั้งแห่ง ศ ข, ขเวทนาถ้ารู้ปารม์ที่ไม่ดีก็เป็นที่ตั้งแห่งทุก ข, ขเวทนาถ้ารู้ปารม์ที่ปานกลางก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเวทนามัานก็เอามาสาธยายอย่างนี้บ่อยๆนสาธยายทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทะวารใจาการสาธยายก็ก็คือสาธยายลงมาในชีวิตที่เป็นจริงนไคือไม่ใช่เล่นคำให้มันคล่องเฉย แต่เป็นการสาธยายและสงเคราะห์ลงมาในชีวิตตามเป็นจริงทีนี้เมื่ อ, อสาธยายพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะสงเคราะห์ลงว่าอะไรเป็นอะไรชัดเจนก็พิจารณาถึงปัจจัยของแต่ละอยา่างเนี่ยนะเดยเช่นจากโสนี้ประกอบไปด้วยอะไรเกิดจากปัจจัยอะไรรูปเกิดจากอะไรมีปัจจัยอะไรจากครูวิญญาณเกิดจากอะไรเกิดจากปัจจัยอะไรจากครูสัมผสัสเกิดจากปัจจัยอะไร สุขเวทนาทุกเวทนาอุเบขาเวทนาเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยนะและเวทนาเหล่านี้จะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปเนี่ยนะก็มองให้เห็นที่เรียกว่าความเกิดเนี่ยนะมองให้เห็นเป็นปฏิจจสมุปาเน่นะก็ของเราก็ของเก่าเล่าใหม่ก็ได้เนาะแต่ว่าโลกนี้มันมีแต่เรื่องซ้ำราก ก็จำไหมจากสุกรูปเกิดจากสุวิญญาณเห็นสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะภาษานี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาทีนี้ก็ทวารทั้งหกก็เอามาสาทยายให้มันคล่องก่อน โดยที่ว่ายังไม่เข้าใจอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรก็สาธยาแยกแยะเน่ย น, นะการแยกแยะอย่างนี้จะเราจะเรียกว่าคณะวินิโพกก็ได้นะคณะวินิโพกหรือวินิโพกก็ได้นี่นนะแปลว่าเป็นการแยกกลมก้อ น, น, นนะแยกกลมก้อนในชีวิตของเราให้มันให้เห็นว่า อะไรอะไรเป็นอะไรอะไรอะไรเป็นอะไรก็กลายเป็นว่าธรรมะ30สใช่ไหมคือแต่ใน30สเหล่านั้นนะถ้าจะใช้แบบย่อๆก็ได้ถ้าจะย่อๆนะธรรมะเหล่านี้ก็คือฝั่งนี้ก็เป็นรูปฝั่งนี้ก็เป็นนามท่านั่นเองแต่ถ้าพิสดารขึ้นไปกว่านั้นอีกพวกนี้ก็จะเป็นขันก็ได้เห็นไหมอันนี้เรียกว่าโดยนามรูป ถ้าโดยขันลน่ะอ่นีจากสูสกับรูปก็เป็นรูปประขันอวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันผัษะก็เป็นสังขารขันถ้าพูดสังขารแล้วสัญญาก็เท่ากับแสดงแล้วเวทนาก็เป็นเวทนาขันนะนะก็แล้วแต่จะใส่ชื่ออะไรลงไปน่นะก็การหาองค์ธรรมก็จะหาลักษณะนี้ ถ้าเราจะเชื่อมไปหาหมวดหมวดธรรมะอย่างอื่นๆนะแต่สำคัญก็คือเอาแบบพุทธพจน์ที่มีแสดงแบบนี้ในพระไตรปิฎกเป็นหลายสิบแห่งเนี่ยนะก็เอามาสาทยาให้คุ้นเคยก่อนอเมื่อแยกแยะสิ่งเหล่านี้ลงในชีวิตเราได้ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็หมั่นมาคร้ครวนต่อไปเช่นจากสูของเรานี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเห็นจากสูนี้เกิดจากอะไร ก็อาจจากสูตคือความสายของมหาพูดสีใช่ไหมเป็นความสายของมหาพูดสี่แล้วมหาพูดสีเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมแล้วอะไรเย็บไว้ให้กรรมมันมีผลตันหาอันนี้ก็เท่ากับเรียกว่าชื่อเต็มก็เรียกว่ารูปปตัตนหาเย็บเอาไว้นนก็ตันหากับกรรมก็ทําให้เกิดปฐวีอาโปแล้วก็เกิด เป็นปัจจัยแก่จักสุเพราะจักรสุเป็นรูปที่อาศัยนั่นนะเป็นอุปาทายรูปจริงๆเขาเป็นความใสของมหาพูทธเรนนี้ก็เห็นสมุทัยในอดีตถ้าจะกล่าวโดย อ, อกรรมกรรมก็คืออีกชื่อหนึ่งว่าสังขารถ้าพูดถึงตัณหาก็บวกกับอวิชชาอยู่แล้วะนะก็อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขาร สังขารก็เป็นปัจจัยแก่จิตบางบางส่วนที่ที่เป็นปัจจัยแก่รูปเหล่านี้ด้วยโดยเฉพาะกรรมมะวิญญาณบางบางอย่างชื่อหนึ่งให้เต็มะนะเรียกว่ากรรมมะวิญญาณพวกนี้จะเป็นสิ่งเดียวกันก็เป็นปัจจัยแก่รูปเหล่านี้รูปก็เป็นปัจจัยแก่อายตนะอันนี้ท้าสาไปห า, าดิตทีนี้พอจักสุ เราพูดถึงส่วนเฉพาะกรรมมาช่รูปก่อนจากสู่กับรูปเนี่ยนะแล้วรูปมีกี่สมุทฐานล่ะรูปก็มีสี่สมุทฐานทีนี้การพิจารณาธรรมะก็ก็ต้องพิจารณารูปที่เราติดใจเป็นหลักใช่ไหมรูปที่เราติดเราคล้องก็มาแยกรูปนั่นแหะโดยสมุทฐานสี่กรรมจิตอุตุและอาหาร ทีนี้กรรมจิตอุตุอาหารเหล่านี้รูปเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่จากขู่วิญญาณยังไงและจากขู่วิญญาณเนี่ยมันเกิดด้วยปัจจัยอะไรบ้า ง, างก็ไล่ไปแล้ววิญญาณเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ภาษะโดยเป็นยังไงจริงก็คือสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้นนั่นเองแล้วภาษาเป็นปัจจัยแก่สุขสุขปกติเนี่ยสุขเป็นปัจจัยแก่อะไรโดยมาก ก็ราคะใช่ไหมทุกเป็นปัจจัยแก่โทสะอุเบกขาก็เป็นปัจจัยแก่โมหะแต่ว่ารวมๆก็เป็นปัจจัยแก่ราคะอยู่ดีเนี่ยทีนี้ราคะนี้เป็นปัจจัยแกอะไรก็กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยแกอะไร จากสุต่อไปอนั่นการรู้พิจารณาอย่างนี้ตลอดสายอันนี้ชีวิตหนึ่งขณนะเลชีวิตหนึ่งขณะเพราะนนั้ในฝ่ายเหตุปัจจุบันในเหตุตรงนี้เราก็สร้างก็มากานั่นเปัจจุบันผล น, นี้ก็แต่ละช่วงแต่ละช่วงชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะ น, น, นัสาวไปอดีตก็เกิดจากนัจากสุวันนี้เกิดจากปัจจัยแบบนี้เมื่อวานก็เกิดจากปัจจัยเหมือนกัน ถอยหลังถอยหลังไปหรือกี่ชาติที่แล้วก่อนหน้านี้ก็เกิดจากปัจจัยเช่นนี้ทีนี้ถ้าอนาคตชาติต่อไปเนี่ยนะซึ่งกรรมก็ก็ทําอยู่ตลอดก็เป็นปัจจัยแก่จักสุใหม่ๆอย่างนี้เรื่อยๆไปอยู่แล้วเนีย่ยนะก็มองอย่างไงก็มองเห็นความเกิดอันถ้าเห็นความเกิดอย่างไงก็เท่ากับเห็นทุกขกับสมุทยัยเนี่ยนะเห็นทุกขกับสมุทัยก็เลย ก็หมั่นมาพิจรารณาอย่างนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันก็พื้นฐานที่เราสาทยายเราตรึกพวกนี้มามากๆ ก, ก, ก็มาใคร่ครวนตามนี้ให้มากๆพอใคร่ครวนอย่างนี้มากๆขึ้นก็จะเห็นว่าไอ้ต้นเหตุหลักสำคัญที่ที่ให้วัตตะเราเนี่ยมันเป็นไปอ่ะคืออะไรก็จะเห็นว่าตัวเชื่อมก็มีอยู่กลุ่มนี้ เนี่ยนะปัจจุบันที่เรียกว่าปัจจุบันเหตุฝั่งนี้ก็เป็นอดีตเหตุนี่ย น, น ะ, ะกลุ่มท้งนี้ทั้งหมดก็เป็นอะไรปัจจุบันผลเนี่ยนะทีนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นอนาคตผลอนาคตผลนี่ยินดีไหม คือกรรมเหล่านี้เนะี่ยมันเหมือนกับการทําสัญญาการทําอะไรกันไว้สักอย่างหนึ่งซึ่งมันจะมีผลต่อไปก็ได้ไม่มีผลต่อไปก็ได้สัญญาอันนี้นะีที่ ท, ที่ที่เกิดขึ้นกรรมทั้งหลายที่ทําเป็นลักษณะนั้นทีนี้ถามว่าทํำยังไงล่ะถ้ากําจัดโดยเฉพาะราคะโทสะโมหะได้จริงๆอ่ะนะียกรรมก็ถึงความ ไม่มีผลต่อไปนะนะถ้ากรรมไม่มีผลก็ถือว่าจบนะแต่ว่าไอการที่จะละราคะเหล่านี้ได้ก็ต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่าวิราคะนะวิราคะซึ่งหมายถึงอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะนะแล้ววิราคะคืออริยมรรคเนี่ยเกิดจากอะไรว่าโดยรวมๆก็เกิดจากนิพพิธานิพพิธาเกิดจากไหน เกิดจากยะถาภูตะญานทัศนะยะถาภูตายานทัศนะเกิดจากไหนสมาธิสมาธิเกิดจากไหนว่ารวมๆก็เกิดจากศีลศีลเกิดจากไหนก็เกิดจากการฟังฟังนี้เกิดจากไหนก็สารณะเราดีถ้าจะสาวไปอีกว่าสารณะเกิดมาจากไหนก็อาศัยบุญเก่าอะเป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยทีนี้ไอ้ส่วนที่สําคัญ ก็คือว่าเราฟังคำสอนไว้ได้เท่าไหร่ฟังคำสอนคู่ควรที่จะบำเพ็ญศีลแิกศีขาได้ไหมพอที่จะมาบำเพ็ญจิตตะศีขาปัญญาศีขาได้ไหมเพราะว่ายะถาภูตยนานทัศนะกับนิพพิธานี่เป็นชื่อของปัญญาอันนี้ก็สมาธิตรงตัวศีลก็ตรงตัวเมื่อไหร่ที่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะประชุมกันสามอย่างอั น, น้จึงจะเป็นอริยมรรค ก็คือขณะที่ศีลสมาธิปัญญาประชุมกันทีนี้ทํำยังไงว่าตามมองเห็นรูปเนี่ยมันจะเป็นศีลได้เนี่ยนะที่จะอบรมศีลได้เมื่อตาเห็นแล้วเจริญสมถะได้นะเมื่อตามองเห็นอย่างเงี้ยแล้วเจริญยะถาภูตยานัศนะหรือเจริญนิพพิธาได้ทีนี้ถามว่าเจริญยังไงบอกง่ายๆก่อนเลยนะศีลคืออะไรบอกวินัยปีดก นะสมาธิคือพระสูตรนะนะสุด ต, ต, ตันตปิฎกปัญญาคืออะไรก็คืออภิธรรมปิฎกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนมาบ้างก็น่าจะพอนึกออกได้บ้างพอที่จะเจริญได้บ้างน่นะก็อย่างนี้เป็นต้นนะนะก็มาเจริญที่เหลือก็คือมาคิดทีนี้ถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นพระพิสุ์นะตามมองเห็นรูปอะไรปาฏิมูกเลยก็ได้นะนั่นก็ศีลก็จะมาทั้งหมดนะจะเห็นศีลหมดเลย เอาของคารวะทําไงบอกร้กรรมบทเลยเนี่ยนะร้กรรมบทเพราะฉะนั้นตัวศีลจริงๆคืออะไรคือกายกับวาจาทํำยังไงกายวาจาจะไม่ประพฤติชั่วกับอารมณ์นี้เนี่ยนะอันนั้นคือศีลเพราะฉะนั้นของพระพิสุเพียงแต่แจกไอ้ไอ้รายละเอียดว่าถ้าไม่ชั่วนี่มันไม่ชั่วแค่ไหนแจกให้มันกว้างขวางเท่านั้นเองแต่ของคารวะถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะเหมือนกันนั่นแหละ เพียงแต่ว่าไม่มีศิกขาบทบัญญัติมาเพื่อจะลงโทษเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าประพฤติให้ชอบทำก็ต้องถ้าจะกกายก็ต้องเป็นกายสุจริตถ้าวาจาก็ต้องเป็นวจีสุจริตเหมือนกันนั่นแหละทีนี้ก็มีผู้ถามว่าเอาแล้วสมาธิเจริญยังไงก็ลองนึกดูนะว่าสมาธิคืออะไรบ้างอนุสติสิบเนี่ยนะเช่นพุทธานุสติเนี่ยเราก็มาพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันเนี่ย ถ้าพระพุทธเจ้าเห็นอารมณ์เนี่ยพระองค์มีกิเลสไหมหนึ่งอรหันถ้าสัมมาสัมพุทธโธก็คร่าวๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธค า, ามินีปฏิปทาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มาเจริญพุทธคุณและถ้าสวากขาโตธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไงบ้างกับอารมณ์เหล่านี้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายเวลารับอารมณ์เนี่ยท่านปฏิบัติกันอย่างไรนะแล้วก็มาเจริญมาตรึกมาไข่ครวนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเจริญอ น, อนุสติไป <c oughs> ก็เป็นสมถะแล้วแต่ว่า <c oughs> หมายความว่าอนุสติสิจะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับการปราลบอารมณ์อยู่กับการปรารบของเราอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อย่า ง, ง, น, น, างนั้นวันยังค่ํานี่ยไงก็อยู่ที่เราจะเข้าไปคิดกับอารมณ์นั้นยังไงให้เป็นกุศลให้ใหเป็นกุศลแต่ก็กุศลก็อยู่ที่การสังสมของเรามาเองหรือไม่ก็ในอารมณ์นั้นเนี่ยตอกสินได้ไหมเนี่ยไง แล้วอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะต่ออสุภะได้ไหมหรือพรหมวิหารเนี่ยนะหรือต่อด้วยอาหาเรปติกูลเนี่ยนะหรือต่อด้วยธาตุสีหรือล่วงอารมณ์นั้นจนเข้าอารูปปัจจานได้ก็ก็สุดแทแต่ความสา ม, มารถที่จะปารบ ถ้าปัญญาก็น้อมสิ่งเหล่านี้ที่รับรู้เนี่ยนะเป็นขนันยตนาธาสาาัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปบาทน้อมไปได้ไหมเนี่ยนะถ้าน้อมไปไม่ได้คำสอนก็สอนไว้เพื่อจะได้เรียนรู้จะได้ฝึกน้อมไปเท่านั้นเองเนี่ยนะแต่ถ้าเราเจริญได้ตามนี้ก็นั่นแหละเรามีสารณะเท่านั้นนะถ้านึกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่มีสาระนะก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆสาระจากพูทศาสนาที่เราได้รับ มากได้รับน้อยก็วัดกันจากตรงนี้ก็รู้แล้วนั่นนะอันนี้เขาเรียกว่าแล้วก็คํานวณอย่างเงี้ยคูณกับทาวารหให้หมดนั่นนะก็ถ้าอย่างเงี้ก็เท่ากับกล่าวทั้งเหตุสายเหตุเกิดกับสายความดับอย่างนี้พูดทั้งวัตตะและวิวัตตะเรียบร้อยแล้วการพูดถึงอย่างเช่นจากโศกับรูปเกิดจากคูวิญญาณพร้อมทั้งปัจจัยและ จะขูจะรูปจะขูวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปข้างหน้าต่อไปอีกอนะการกล่าวอย่างนี้เรียกว่าการกล่าวเหตุเกิดของวัตตะอันนี้เรียกว่าวัตตะส่วนตั้งแต่การฟังแล้วบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญายถาภูตยานทัทส น, นิพิธาจนอริยมรรคเกิดสํารอกกิเลสเหล่านี้ได้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวิวัตตะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อริยสัจพูดเรียบร้อยแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าตามอัธยาศัยเขาก็ไม่เขายอมรับไม่ยอมรับเขาก็ไม่เถียงไอ้ไม่เถียงก็นิ่งๆนิ่งโอ้แปลยากมากลึกไม่ออกว่าจะโย น, โนศูนกกย์มาสกัดยังไงที่ตอนที่เป็นขั้นขั้นจิตสิกขาเนี่ย ก็พูดพูดง่ายๆทั่วไ ป, ะไไปนะเนี่ยมองเห็นอาจารย์วินิตเนี่ยคิดถึงกรรมฐานสี่สิบอะไรได้บ้างว่าง่ายๆเลยถ้าไม่เรียนมามันนึกอะไรไม่ออกอยู่แล้วทันคนไม่เรียนก็คือคนไม่มีาศาสนาทวายตรงๆไปเลยไม่มีสารณะว่างั้นแต่แกก็บอกว่าไอ้คาว่าไม่มีสารณะเนี่ยโดยมากก็เอาไว้คุยกันเฉพาะส <c oughs> ององค์อาจารสมมน <c oughs> วันนี้ก็ไหนๆก็เลยว่าไปหมดเลยแหบนั้น <c oughs> อ๋อใช่อันนี้ก็คือการพิจารณารวมๆแล้วก็แล้วแต่เราจะเชื่อมไปตามสูตรไหนก็แล้วแต่เรา